แบบสะสมตรงนี้นะให้เป็นสติสะสมเป็นสัญญาตัวนี้ให้มันมีบ่อยๆนี่ก็คือปล่อยให้มันเผลอไปแล้วรู้เอาปล่อยให้มันเผลอไปแล้วรู้เอาถ้าเพ่งเอาไว้นะเพ่งได้ดีทั้งวันนะไม่รู้เลยเพ่งได้ดีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่รู้เลยแต่ถ้าสวดหมดเราหัง่งซ้ำมาแวบไปรู้ซ้ำโถพระกวาแวบแล้วรู้นี่ได้สองทีแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นอย่า ก, กลัวว่ามันจะหลงหลงแล้วรู้ อย่ากลัวว่าจะมีราคะมีราคะได้รู้อย่าไปผิดอย่าผิดศีลก็แล้วกันอย่ากลัวว่ามีโทสะโทสะได้รู้อย่าไปผิดศีลก็แล้วกันเข้าใจไหมทุกครั้งที่รู้ได้หนึ่งแต้มทุกครั้งที่รู้ได้หนึ่งแต้มแต่ถามว่ากี่แต้มจึงจะพอไม่รู้จนกว่ามันจะพอตอนพอเนี่ยมันหมดความตั้งใจแล้วมันหมดความคาดหวังแล้วว่าจะได้อะไรจะได้มรรคผลถ้ายังคาดหวังอยู่นะยังมีเจตนา เข้าใจไหมทำจนลืมอ่ะทันจเป็นนิสัยอ่ะทำจนลืมตื่นขึ้นมาวันนี้ใจไปอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาตัวอยู่กับเตียงแต่ใจเข้าหาเข้าห้องน้ำไปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้ทันว่าอ๋อใจนึกถึงห้องน้ำตื่นขึ้นมากังวลเรื่องงานใจมันส่งไปที่ทา ง, งานแล้วนึกนึกอย่างนี้แล้วรู้ทันว่าอ๋อใจเราเคลื่อนไปแล้ว หรือว่ามีความกังวลเกิดขึ้นรู้ทันความกังวลรู้อะไรก็ได้รู้กิเลสได้สติก็เอารู้จิตมันไหลไปได้ทั้งสมาธิและได้สติด้วยยิ่งดีรู้มันไหลไปว่ามันไหลไปเองได้ทั้งสติและทสมาธิและดัปัญญาด้วย